กล่าวถึงเทพพ ย, ยดาเหล่านั้นนะนะที่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีแต่ความขนชูชันเป็นวันที่น่าอัศจรรย์เนี่ยเกิดขึ้นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เนี่ยเกิดขึ้นได้เยอะเนี่ยนะเราจักสำเร็จประโยชน์ได้แน่แท้ประโยชน์เนี่ยเราได้แน่นอนเพราะว่าขณะเราได้กันแล้วเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่ได้ขณะแล้ว อักขณะก็ผ่านพ้นไปแล้วอักขณะเนี่ยนะคืออักขณะแปประการอัขณะแปลว่าไม่ใช่สมัยไม่ใช่กาละที่จะประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยนะอย่างข้อความในอังคุตรนิการอัตกระนิบาศข้อ1นึร้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าโลกได้ขณะจึงทํากิจหมายความว่าถ้าจะทําอะไรสักอย่างมันต้องได้ขณะได้เวลาก่อนถ้าไม่ได้เวลาเขาไม่ทำแปลว่าผิดเวลา แต่เขาไม่รู้ว่าขณะหรือไม่ใช่ขณะเขาไม่รู้จริงวรออะไรเป็นขณะอะไรไม่ใช่ขณะแท้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกาละไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพระมจรรย์นเนี่ยแปประการคือขณะขณะในการทำกิจกิจที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับกิจในการเจริญอรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กิจในการพิจารณาทุก กำหนดรู้รอบรู้ในกองทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองคป8ถามว่ากาละที่มิใช่สมัยมิใช่ขณะไม่ใช่เวลาที่จะได้ปฏิบัติมรรคแปดไม่ใช่สมัยที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยเมื่อไหร่บ้างพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายแต่ถาคตอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผ้าหัน ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำเนกขัมและพระธรรมพระผู้มีพระภาคก็แสดงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อปรินิพาน เป็นธรรมที่ทำให้ถึงการตรัสรู้ธรรมที่นำมาซึ่งความสงบเป็นไปเพื่อปรินิพานเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยพระสุคตเจ้าประกาศแล้ว<ม>ก็คือประกาศโพธิปัจยธรรมประกาศสติปัฏฐานประากาศอธิศีนอธิจธิตอธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นการประกาศเพื่อนำความสงบมาให้เป็นการประกาศเพื่อให้ปรินิพานเป็นการประกาศให้เกิดการตรัสรู้ แต่บุคคลนี้เข้าถึงนรกเสียด้วยความพิสูจน์ทางหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีระยะเวลาอยู่ช่วขณะหนึ่งเท่า น, นั้นเองที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกเกิดขึ้นแค่ครั้งคราวช่วงที่พระพุทธเจ้าเกิดมาดันไปอยู่ในนรกเข้าทําอะไรได้เนี่ยนะอยู่ในนรกเข้านรกมหานรกใหญ่ๆหญ่แปดขุมเนี่ยนะสัญชีวะกาลสุตะตาปะเนี่ยนะ ตาปณะเป็นต้นนะโหถ้าไปอยู่ในนรกเหล่านั้นทําอะไรได้อยู่ในอเวจีนรกดินเรา่เราๆมันก็ถูกย่างสดเนี่ยนะขณะที่กําลังถูกย่างสดถึงเขาจะฟังอริยสัจขนาดไหนเราก็ไม่มีเหมือนกับเรากําลังถูกไฟไหม้ท่วมเต็มตัวไปหมดแล้วคนอื่นเขาประกาศอริยสัจเข้าฟังอริยสัจแล้วเราจะได้อะไรบ้างพันไม่ใช่สมัยเลยไม่ใช่สมัยไม่ใช่ขณะไม่ใช่กาละที่จะเจริญมรรคประกอบไปด้วยองแปดเลยในขณะที่อยู่ใน นรกแล้วนรกในพื้นที่ไม่ได้เล็กน้อยเลยแล้วสัตว์เนี่ยนะที่จุอยู่ในนรกเนี่ยอย่างมนุษย์6กพันล้านเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยนะไม่ได้เศษเสี้ยวของนรกรกนะถามว่าแป้งแป้งฝุ่นเนี่ยนะที่อยู่ในสักถังหนึ่งเนี่ยมีฝุ่นเท่าไหร่ในนั้นหนึ่งถังนะสมมติว่าหนึ่งถังสิบลิตรเนี่ยฝุ่นที่อยู่ในถังนั้นนะ่ะนับได้เท่าไหร่บอกเท่าไหร่นะ โอ้ยไม่รุ้มรูกี่ไมรูกี่พันล้านเม็ดเนี่ยนะไม่รู้กี่พันล้านเมเน็ดฝนะุ่นที่อยู่ในนั้นชั้นใดบอกว่าในนรกเนี่ยนะในนรกเนี่ยสัตว์เหมือนไปฝุ่นที่อยู่ในรใ น, น, น, น, น, น, นารกนะ อ, อ, อ, อัดยัดเยียดอยู่ในนั้นแล้วพื้นที่เป็นหมื่นเป็นหมื่นตารางไม้เนี่ยนะเราถามว่ามันเท่าไหร่เอ้าผมถามว่าถ้าไปเออัดยัดเยียดอยู่ณที่นั้นก็ไม่ต้องทาอะไรกันแล้วเนี่ยนะอะไรนันอันหนึ่งแหละขณะที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์ประกาศอริยสัจ แต่ถ้าเราเนี่ยไปอัดยัดเยียดอยู่ในนรกก็ทําอะไรไม่ได้เนยนะอันนี้ข้อแรกเลยไม่ใช่ศัลณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประเพณีพรหมจรรย์ไม่ใช่เวลาหรือที่จะเจอณนาะท่ศีณนะที่จิตแล้วอาทิปัญญาถึงมีผู้บอกผู้สอนแต่เราไร้โอกาสหมดโอกาสขาดโอกาสไม่ได้ขณะไม่ได้กาละอะไรเลยอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกสมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณทุกอย่างพระธรรมคุณที่พระองค์แสดงก็นำออกจากทุกจริงล่ะ แต่เราไปเป็นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานซะไปเป็นทั้างคาวไงนะเป็นค้างคาวอยู่ในถ้ำไปเป็นปลวกอยู่ในจอมปลวกไปเป็นไก่อยู่ในไปฟาร์มเป็นหมูอยู่ในฟาร์มเป็นปลาอยู่ในน้ําเป็นนกที่บินว่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆเป็นเดรัจฉานโดยประการต่างๆเป็นงูงี้ยวเขี้ยวเสือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นยุงแมลงเหลือบรินแดะโอ้สารพัดเหล่านั้นทําอะไรได้หรือไปเป็นตัวอะไรนะตัวไรน้ำเนี่ยทำอะไรได้ หรือไปเป็นตัวเคยเนี่ยนะที่ เ, าเอามาทำกระปิ่นทําอะไรได้เนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นไปเป็นลูกไปเป็นคางคกเคยเห็นนะคางคกลูกคางคกไข่คางค ก, ก, คงค ก, คงคกมันยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะนจริงๆมันตัวมันนิดเดียวเม็ดมันเม็ดเท่าสาคูเล็กๆเนี่ยแล้วมันยาวเป็นกิโลนี่มันกี่ตัวเดราชานเนี่เยอะจริงจริงมันถ้าหากว่าเราเกิดเป็นกําเนิดสัตว์เดราชาแล้วทําอะไรได้เนี่ยนะจึงไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยไม่ใช่กาละที่จะ ประพฤติพรหมจรรย์เลยแต่ถามว่าการเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดยากใช่ไหมโอ ย, ง, ย, ดด ย, ยง่ายนิดเดียวเนี่ยนะง่ายนิดเดียวอ่ะนะถามว่าทําไมจึงเกิดเป็นเดรัจฉานง่ายก็เพราะว่าสาตร์ทั้งหลายทําอกุศลไม่ใช่น้อยปัญหาเรู้จักอกุศลหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้ารู้จักอกุศลและรู้จักสิ่งที่เขาติดข้องติดข้องณที่ใดเขาพร้อมที่จะเกิดณที่นั้นถามว่าเกิดในฐานะอะไรเอ่ะบางคนชื่นชมป่าชอบป่ามาก ตายพอดีเลยเกิดที่ป่าถามว่าอยู่ในฐานะอะไรในป่านั้นเอ่ะอย่างเขาบอกโอ้ยกุ้ ย, ยต้นไม้ต้นนี้สวยงามมากแต่อยู่ในฐานะอะไรถ้ามีต้นไม้เป็นต้นนั่นเป็นอารมณ์แล้วตายเขามาเห็นในมดแดงเนี่ยนะมดแดงมดดามดตนอยมดสารพัดมดอยู่ในนั้นเยอะไปหมดเลยเขาเห็นต้นสนบางคนชอบสนมากโอ้เราไปอยู่คนต้นสนพวกสัตว์เนี่ยนะไ อ, ไอแบบ ตัวมันเหมือนกับเปลือกสนเลยอะเหมือนกับเปลือกสนอยู่ตามเหลือบของต้นสนมดเนี่ยนะปลวกมันก็ขึ้นมดมันก็ขึ้นต้นสนต้นเดียวนี่ไม่รู้อยู่กี่ร้อยตัวกี่หมื่นตัวเยอะมากเลยนะแล้วต้นสนเนี่ยมีพื้นที่เป็นกี่หมื่นไร่อะต้นสนทั้งนั้นหนึ่งต้นสนเนี่ยนะมีสัตว์เดรชันอยู่เป็นหมื่นตัวแล้วคูณเข้าไปเป็นหมื่นไร่เนี่ยจะมีกี่ตัวอันนี้เฉพาะในต้นสนนะที่อยู่โคนต้นสนอีกที่อยู่ตามพื้นดินอีกที่อยู่ตามต้นเล็กๆอีก พื้นที่ปากเขาเนี่ยนะในโลกเนี่ยพื้นที่ปากเขาเยอะมากแต่ก็ยังน้อยกว่าสัตว์ในน้ําสัตว์ในน้ํามากกว่าเดรชาช น, นี่เยอะแยะไปหมดเลยถามว่าถ้าไปอยู่เป็นเดรชาชนเหล่านั้นแล้วจะเห็นอะไรจะเห็นอริยสัตว์ได้อย่างไรเนาะจะ ก, กําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งจะเจริญอธิศีณาที่จิตอธิปัญญาจเจริญโพธิปักจัยธรรมได้อย่างไรถึงพระพุทธเจ้าจะสอนจเจริญรุ่รงเรืองขนาดไหนก็ไม่ใช่สมัยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไปไหว้ พระที่ไปไหว้พระาธาตุที่พุทธมณฑลเนี่ยนะที่เขาเอาพระเคี้ยวแก้วมาจากประเทศจีนเนี่ยนะแล้วก็ทางนั้นก็จะมีหอพระไตรปิฎกเนี่ยสลักด้วยหินอ่อนพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเขาเขามาให้มากราบไหว้พระไตรปิฎกหินอ่อนก็อยู่ข้างตรงนั้นแต่ถ้าไปเกิดไปเป็นปลาดุกอยู่บริเวณ น, นั้นเข้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพื้มันมากถึงขนาดว่าแกะถุงพับเนี่ยก็มาแล้วเป็นพรน ไปแย่ตรงไหนมันก็ขึ้นมาเท่ากันหมดมันจะขนาดไหนนาะเนี่ยนะแล้วถามว่ามันไม่แล้วไข่ที่อยู่ในนั้นอีกเท่าไหร่มันก็ชีวิตทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่ปลาดุกอย่างเดียวแล้วปลาอื่นๆอีกที่เราไม่เห็นอีกละแล้วกลางคืนอีกนะนะยุงมันจะออกมาเนี่ยมันยุงเนี่ยเท่าไหร่เดรชาเนี่ยมากขนาดนี้ถ้าไปเกิดเป็นเดรชาทําอะไรได้น่ยนะแล้วอย่าคิดในว่าเราเนี่ยอุ้ยอย่างเราเนี่ยไม่เป็นเดรชาหรอกเอาอะไรวะอย่างเรานี่ยเอาเราไหนละศีลเนี่ยเกิดกี่ขนาดจิตเอา เพราคุณภาพศีลเขวัดกันที่สุขภาพจิตที่ขณะจิตเขาไม่วัดตรงที่ว่ามานั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเดรัชานคทถาเพ้อเจอไปเรื่อยแล้วบอกรักษาศีลไม่ใช่เนี่ยนะศีลคือเจตนาเจตนาเป็นศีลวันละกี่ครั้งคิดถึงศีลกี่ครั้งต่อวันหนึ่งแล้วศีลมีทั้งห้าข้อแล้วคิดถึงข้อไหนบ้างเนี่ยนะแล้วสมถะทั้งหลายคิดบ่อยไหมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นแล้วคิดนะว่าแมา้จะรอดกันง่ายๆเอาคุณธรรมอะไรมาออกจาก อาบายทั้งหลายนั้นถ้าไปเกิดเป็นเดรชาเนี่หมดเลยหมดโอกาสยังยังลยหลายๆแห่งเนี่ยนะเดรชาเนี่ยไม่มีโอกาสทําอะไรได้เลยไม่รู้จะเป็นไก่ในฟาร์มแล้วทาอะไรได้บ้างพั้นถ้าไปอยู่ในเดรชาไม่ใช่สมัยนั้นถามว่าหลุดจากเดรชามาเป็นมนุษย์ง่ายไหมนะถ้ากลับไปเป็นเดรชานจะย้อนกลับคืนมาเป็นมนุษย์จะมาได้อย่างไรขณะเราไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยนะเจดีย์ส่องสปอตไลท์แสงสว่างส่องเข้าไป แม้แมลงก็ว่อนอยู่แถวนั้นนี่ก็ไม่ใช่น้อยอีกพักหนึ่งไปไหว้พระเจดีวันก่อนนู้นไปเห็นพึ่งมันทำรังเลยนะใหญ่มากพึ่งเนีใหญ่เป็นวาเลยแหละทํารังอยู่ข้างพระเจดีที่ที่พระเจดีนั่นแหละแล้วก็ไปเห็นแม้กระทั่งพึ่งเล็กพึ่งใหญ่พึ่งตัวพึ่งน้อยๆอ่ะนะพึ่งน้อยพึ่งใหญ่มีสารพัดพึ่งไปข้างล่างก็โมดปลวกเต็มไปหมดเลยโอ้เดรัจฉานมากขนาดนี้แล้วไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยนะ ท่า น, นพระองค์บอกว่าไม่ใช่สมัยข้อที่สองที่จะประพฤติพรหมจรรย์ที่จะปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจคือเป็นเดรัจฉานนะนะมันอย่าหลุดไปเด็ดขาดจะหลุดแล้วยากที่จะออกมาได้ข้อที่สามพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาในโลกตรัสรู้ธรรมปั๊บเนี่ยนะประกาศอริยสัจจะทำดันไปเกิดเป็นเปรตไงนะก็ไม่ใช่สมัยไม่ใช่กาละไม่ใช่ขณะที่จะประพฤติพรหมจรรย์ธรรมชาติของถามว่าเปรตนี่คืออะไรถ้าเราเคยเห็นคนที่อดอยากหิ้วหวยผอมโซ กินแล้วก็สุขภาพเนี่ยป่วยทั้งร่างกายและจิตใจด้วย้อมโซดำปีเลยเนี่ยนะเคยเห็นบุคคลเหล่านะั้นเรียนอริ ย, รยสัจไหมลักษณะของเปรตเนี่ยโดยมากเป็นแบบนั้นและหนักกว่านั้นอีกหลายเท่าใครไปอินเดียเนี่ยถามว่าไปสอนอริยสัจกับกลุ่มเหล่านั้นนะกลุ่มขอทานนี่คิดว่าประสบความสำเร็จไหมรูปีรูปีรู้แค่นั้นแนหะเพราะฉะนั้นก็ ไม่หมดโอกาสเลยแหละที่จะเห็นอริยสัตว์เนี่ยนะไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่สมัยไม่ใช่กาละเลยเลยมันถ้าหากว่าไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยแล้วถามว่าเปรตน้อยใช่ไหมถ้าใครมีตาทิพย์เนี่ยสงสัยต้องเดินหลบทั้งวันเลยมั้งเพราะมันไม่ใช่วันน้อยๆเลยมันมากมากเรียกว่านครนเนี่ยนะเป็นเมืองเลยแหละเรียกว่าพวกเปรตกลุ่มไหนก็กลุ่มกรจัดทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละคือคือมันมั น, มนเปรตนี่มันมีจริงๆนะเรียกว่าพวกปังโซ ป, ปีซาทันถมน้ําลายออกไปไม่รู้ใครวิ่งไปทานมั้งะนะ ตอนก็เต้มไปหมดเลยละที่ขยะมูลฟอยที่อะไรเนี่ยนะเต้มไปหมดเลยพันถามว่าแล้วถ้าไปอยู่ในสภาพเหล่านั้นอดอยากนิ้วโหยเจ็บป่วยเดือดร้อนตลอดเวลาป่วยทั้งร่างกายเนี่ยนะตลอดทั้งร่างกายอดอยากหิวโหยแล้วเอาเวลาที่ไหนมาฟังธรรมฟังไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยนะไม่อยากฟังธรรมด้วยมันรู้แต่ว่าอาหารอาหารอาหารประเสริฐที่สุดมันอริยสัจฉันไม่ต้องการฉันต้องการแต่อาหารฉันต้องการแต่ยาต้องการแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม ต้องการแค่นั้นไม่ต้องการอริยสัจไม่ต้องการศีลสมาธิปัญญาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากฟังอยากได้แต่อาหารอยากได้แต่แก้แค่ปัญหาไปเฉพาะหน้าเพื่อนี้อยู่เท่านั้นเองถ้าไปเกิดเป็นเปรตก็ไม่ใช่สมัยไม่ใช่ขณะไม่ใช่กาะละแล้วข้อที่สี่บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกกลายไปเป็นอสริยสัจเข้าเป็นเหมือนกับอะไรเป็นเหมือนกับพุนขี่พึ่งเท่านั้นเองอะนะ มีตาก็เห็นไม่ได้มีหูก็ฟังไม่ได้ก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับแบบคนที่สลบไปแค่นั้นเองนะก็เป็นพวกอสัญญาสัตว์ก็เหมือนสัตว์ที่สลบไปเท่านั้นเองมันไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมเลยหรือไม่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแต่บุคคลเหล่านี้กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทเป็นพวกมีลักขะไม่รู้ดีรู้ชั่วไปเกิดที่เอธิโอเปียเป็นต้นเนี่ยนะทำอะไรได้เนี่ยนะเกิดในเผ่าพันธุ์เหล่านั้นเนี่ย เป็นสถานที่ที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาศกอุบาสิกาสัญจรไปมาสถานที่เหล่านั้นก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยนะไปอยู่ณดินแดนหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเลยนี่จะเป็นอย่างไรอันโอกาสที่จะได้รู้ได้เห็นได้ฟังอริยสัจธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ ฐานะไม่ใช่โอกาสเนี่ยนะไม่ใช่ขณะไม่ใช่เวลาแน่นอนการว่าเกิดผิดที่ว่า ง, งั้นไม่ใช่ปฏิรูปประเทศไปอยู่ในอปฏิรูปประเทศไปอยู่ในสถานที่ ท, ท, ท, ที่ไม่มสมควรที่ที่ที่ไม่เหมาะสมถ้าพี่อยู่สถานที่ไม่สมควรเนี่ยนะอย่างไปอยู่ในสมาคมของนักฆ่าทำปาณาติบาตถ้าเราไม่ฆ่าคนเดียวเนี่ยเป็นแก่ดํเรียบร้อยแล้วนะถ้าอยู่ในท่ามกลางคนคดโกงทุจริต หยิบช่วยได้ถ้าเราไม่ทําคนเดียวนี้ก็คนแปลกประหลาดมากถ้าเราในสมาคมสังคมของคนผิดการเมศุมิจฉาจารย์เป็นปกติถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันถือว่าเป็นผิดปกติมากในท่ามกลางคนเลวทั้งหลายถ้าเราพูดเพราะเนี่ยนะพูดในสังคมที่พูดเท็จยาเพอร์เชอร์สอเสียถ้าเราเว้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าแปลกประหลาดมากถ้าอยู่ในสมาคมขี้เมาเราไม่ดื่มอยู่คนเดียวนี้ก็มันถือว่าแหม่มยากเหมือนกัน ัในท่ามกลางมิจฉาทิฐิแล้วเราเป็นสัมมาทิฐิจะง่ายหรือในท่ามกลางประชาชนพูดเต็มไปด้วยความโกรธแล้วเราไม่โกรธอยู่คนเดียวเราทําได้หรือในท่ามกลางคนโลภเราไม่โลภคนเดียวได้หรือในท่ามกลางสัตว์ที่ล่วงอกุศลกรรมบทเราจะรักษากุศลกรรมบทได้หรือถ้ายิ่งไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีภิกษุภิกษุณีไม่มีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นถ้าไปเกิดณสถานที่เหล่านั้นก็เรียกว่า อาพับแน่เพราะงั้นอาพับแน่เดือดร้อนแน่ลำบากแน่นั้นจึงไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่สมัยที่จะทํากิจในการรู้เห็นอริยสัจเลยเอีกประการหนึ่งเขาก็มาเกิดในมัชชีมชนบทนี่แหละเกิดแถวแถวสังเวชนิยสถานนี่แหละเกิดแถวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละเกิดในใกล้ๆวัดและเกิดข้างวัดมา ง, งั้นเกิดข้างวัดที่เรียนพระไตรปิฎกด้วยแต่กลายเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิ เห็นวิปริตวิปรากคลาดเคลื่อนไปว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาต้อนรับเชื้อเชิญไม่มีผลการเจริญมงคลไม่มีผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีพระคุณนั้นจะทํายังไงก็ได้สัตว์ทั้งหลายโอปปาติกะผีสังนรกเทวดามารพรมไม่มีซ า, ากอย่างในที่สุด พระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองสั่งสอนประชุมชนให้รู้ตามในโลกก็ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงหรอกเนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับลัทธิศาสนาบางศาสนาเขามาจ้างนะักวิชาการกลุ่มหนึ่งเพื่อวิจัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริ ง, งนะแล้วก็นักวิจัยเหล่านั้นก็สํารวจทำมาสําเร็จแล้วเพื่อจะตอบสนอง ความคิดเร็วๆของบางคนในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ออกเผยแพร่ไม่ได้คนไม่เชื่ออยู่แล้วแต่อนาคตต่อไปเนี่ยเอกสารเหล่านี้จะออกมาเผยแพร่ถ้าออกมาเผยแพร่เขาก็เชื่อเออใช่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงก็เริ่มช่วยๆกันปฏิเสธในที่สุดก็หมดไม่มีเรือเหมือนกันอันที่เราเกิดมาในสมัยที่คนเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเป็นเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิถ้ายุคที่คนเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิแปลว่า ปานาติบาตอทินนาทานการเมสุมิจฉาจารรุ่งเรืองท่ามกลางบ้านเมืองที่ประสบภาวะสงครามใครจะฟังธทำท่ามกลางบ้านเมืองที่ทุจริตโคดกงเนี่ยนะก็นักเราว่าจับวางข้างหลังนะจับข้างหน้ามาวางข้างหลังไอ้คนข้างหลังชวยไปแล้วเนี่ยก็ไปคว้าต่อไปอีกหา ม, มาได้คนข้างหลังก็ช่วยไปอีกท่ามกลางลักษณะแบบนั้นเอาอะไรมาฟังธทำ